อาจารย์อยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้ครับคือจริงๆคําถามไม่ใช่ก็จะว่าเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติหรือไม่ก็าอาจจะไม่เกี่ยวข้องตรงแต่ว่าการที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนะครับคือผมอยากจะถามว่าคือเวลาเรากราบพระเราก็บอกว่าเราเนี่ยถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสัญญาพระธรรมเป็นสัญญาพระสงฆ์เป็นสัญญาใ น, นเวลาเราไปเที่ยวไหนมันเกิดมี สารมีอะไรที่เขาก็เคารพ บ, บูชาบางอย่างซึ่งก็อาจจะเกี่ยวกับศาสนาพุทธบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเคารพไหมหรือเราก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเราก็ไหว้ไปแต่ว่าเราก็ถืออาพุทธเจ้าเป็นสลาณะมันทางปฏิบัติที่ถูกมันควรเป็นยังไงครับอคือคําว่าเถอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์<ม>เป็นสลาณะนี่ความหมายที่แท้จริงก็ ถือเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วอยากจะรู้ธรรมะนี้เราต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกับนิสิตนักศึกษาที่ถือครูบาอาจารย์ในมหาลัยเป็นผู้สั่งสอนวิชาระดับปริญญาต่างๆต้องเชื่อฟังคําสั่งคําสอนของครูบาอาจารย์ส่วนการให้ความเคารพนี้ถือว่าเป็นเปลือก ือเป็นการแสดงความเคารพในฐานะที่เป็นผู้อ่อนกว่าเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากผู้ที่สูงกว่าดังการแสดงความเคารพนี้ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกที่แท้จริงถึงการถือสาร ะ, ะการบ่งบอกที่แท้จริงก็คือการเชื่อฟังคำสั่งคำสอน ของพระพุทธพระเจ้าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ปฏิบัติตามเรียวกว่าการถือศาสนาก็เป็นธรรมดาในเมื่อเราเป็นผู้ผู้น้อยเป็นผู้ศึกเป็นผู้ศึกษาเราก็มักจะให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ผู้ที่ให้ความรู้กับเร า, าเวลาเราเจอพระพุทธรูปกรดเราก็กราบไหว เป็นการแสดงความเคารพแต่ความจริงแล้วในสมัยพระพุทธกาลนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงเน้นเรื่องการ เ, าเรียกว่าการบูชาด้วยการแสดงความเคารพที่เรียกว่าอามิสบูชาท่านเน้นเรื่องการปฏิบัติบูบบบชาบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอน ดังนั้นในสมัยพุทธกาลนี้พระพุทธเจ้าไม่ให้สร้างพระพุทธรูปมีคนเคยจะสร้างพระทำพระพุทธรูปไปถวายพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่เราพระพุทธรูปนี้ไม่ใช่เราเราอยู่ที่พระธรรมคําสอนคําสอนนี้เป็นเราเราเป็นคําสอนถ้าอยากจะเทารพเรา ให้แล้วเคารพคำสั่งคำสอนของเราด้วยการปฏิบัติบูบชาสุวนรณมิสบูชานี้ก็เป็นเพียงแสดงมารยาทของผู้ที่เคารพทอนนั้นเองให้ความเคารพต่อผู้มีพระคุณเพราะการให้วิชาความรู้นี้ถือว่าเป็นบุญคลอย่างเป็นพระคุณอย่าง ผู้ที่ได้รับความรู้ก็ควรที่จะแสดงความเคารพเวลาที่ได้พบกับผู้ที่ให้ความความรู้ซึ่งสมัยนี้ผู้ที่ให้ความรู้พระพุทธเจ้าก็ไม่อยู่แล้วแต่พวกเรายังคิดถึงพระพุทธเจ้ากันอยู่เราก็เลยสร้างพระพุทธรูปกันขึ้นมาเพื่อที่เป็นเหมือนกับเป็นรูปเหมือนของพระพุทธเจ้า เวลาที่เราเจอพระพุทธรูปเราก็แสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าแต่การแสดงความเคารพด้วยการกราบไหว้บูชาด้วยอมิตรบูชาเช่นด้วยธูปเทียนดอกไม้เครื่องสักการะต่างๆอันนี้มันเป็นการบูชาที่ไม่ได้รับประโยชน์จะที่แท้จริงจากการถือสาระนะต้อง ได้รับประโยชน์จากการศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เ, เรียกว่าปฏิบัติบูบชาดังนั้นเวลาที่เราไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่ตตางๆคำว่าศักดิ์สิทธิ์ก็คือมนุษย์เราคิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเทวะรูปเป็นพรหมรูปหรือมนุษย์เราถือว่าเราเป็นผู้ต่ำกว่า เราก็เลยให้ความเคารพทีนี้ความเชื่อมันก็ลามปลามไปมากกว่ากันนั้นไปเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้สามารถตอบสนองความอยากกิเลสตัณหาของเรา อ, อยากได้อะไรก็ไปแสดงความเคารพแล้วก็ข อ, อนี่มันที่มาของเวลาที่เราไปวัดกันเรามักจะไปหาพระพุทธรูปกัน แทนที่จะไปหาพระธรรมหรือพระสงฆ์ผู้ที่จะสอนธรรมเราก็ไปหาพระพุทธรูปแล้วเราก็ขออะไรต่างๆที่เราอยากได้จากพระพุทธรูปคนไม่มีรูป ก, ก็ไปขอลูปคนตกงานก็ไปของานคนหาเสียงเลือกตั้งก็ไปขอเสียงจากพระพุทธรูปคนที่ยังไม่ได้เป็นศาสตราจารย์บางทีก็ต้องไปขอ พระพุทธลูกถ้าอยากจะเป็นศาสตราจารย์นี่แหละคือที่มาของความหลงความเชื่อที่ไม่ได้มีไม่ได้มาจากพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องความสุขความเจริญหรือความทุกข์ความเสื่อมนี่เกิดจากการกระทํา ทางกายทางวาจาและทางใจและความสุขความเจริญนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่ความสุขความเจริญในลาบยศสรรเสริญสุขความสุขความเจริญอันนี้อยู่ที่จิตใจความสุขใจความเจริญของจิตใจที่มีอยู่หลายระดับด้วยกันเช่นระดับมนุษย์ระดับเทพระดับพรหมระดับพระอริยบุคคล นี่หละคือความสุขความเจริญที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้ชาวพุทธเราเไปกันให้พวกเราปรารถนาความสุขความเจริญทางจิตใจเพราะเป็นความสุขความเจริญที่แท้จริงที่จะอยู่กับใจไปตลอดส่วนความสุขความเจริญทางโลก ที่ได้จากลาบยศสรรเสริญได้จากรูปเสียงกลิ่นรสนี้พระองค์ทรงเห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่ได้เป็นความสุขแท้มันเป็นความสุขที่อําพรางความทุกข์เอาไว้ผู้ใดที่เข้าหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสจะต้องเจอความทุกข์เพราะว่าลาบยศสรรเสริญ ส, สุขนี้มันไม่เที่ยง มีเกิดก็มีดับมีเจริญก็มีเสื่อมนะไม่ว่าใครก็ตามได้ลาบยศเสรเสริญมามากน้อยเพียงไรก็ตามไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องสูญเสียลาบยศเสรเสรเสรมาสุขไปหมดไม่สูญเสียตอนที่มีชีวิตอยู่ก็สูญเสียตอนที่ตายไปแล้วนี่คือเรื่องของสิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้เราเชื่อ เวลาเราไปวัดนี้ควรจะคิดว่าเรากำลังไปโรงเรียนแต่เราไม่่อยคิดกันอย่างนั้นเวลาเราไปวัดเราคิดว่าเราไปหาสิ่งศักดิก์สิทธิ์เราไปขอสิ่งศักดิก์สิทธิ์ให้คุ้มครองเราเราต้องการอะไรเราก็ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือความเชื่อของชาวพุทธในประเทศไทยเพราะว่าชาวพุทธเหล่านี้ ขาดการศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ากันมีคนน้อยมากที่ศึกษาพราะธรรมคำสอนส่วนใหญ่จะปฏิบัติตามความเชื่อกันมาปู่ย่าตายายเชื่อแบบไหนก็ทำตามที่ปู่ย่าตายายแล้วก็มีความเชื่อแปลกๆใหม่ๆมาผสมประสานมาทำให้เกิดความหลงมากขึ้นไปตามลาดับ อันนี้แหละคือเรื่องของการเข้าถึงพระพุะทธธรรมพระสงค์ของของชาวพุทธเราในประเทศไทยนี้เข้าไปเพียงแต่ไปที่เปลือกของพระพุทธพระธรรมประสงค์ไม่ได้ไปที่เนื้ออไปกาบพระพุทธรูปฟังเทศน์ฟังธรรมก็ฟังแบบขอไปที่นะครับ บางทีเขามีการแสดงทมพอตั้งนาโมเสร็จก็คุยกันบ้างหลับกันบ้างฟังแบบไม่รู้เรื่องแล้วพอพระบอกเอวังก็ตื่นขึ้นมาสาธุรับพรได้ความรู้แล้วได้ธรรมะแล้วนี่คือเรื่องของชาวพุทธในประเทศไทยต่างกับชาวพุทธที่อยู่ต่างประเทศ ชาวผู้ที่อยู่ต่างประเทศนี้เขาโชคดีเขาไม่มีความเชื่อมไม่มีความเชื่อแบบของเราที่เชื่อกันมาเป็นเวลาอันยาวนานเราก็เลยไม่ได้เข้าถึงตัวความรู้ของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้าชาวต่างประเทศนี้เขามีเขาพบกับหนังสือธรรมะต่างๆเขารู้จักพระพุทธศาสนาจากการอ่านหนังสือธรรมะ คำสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็เลยเข้าถึงตัวร พ, ธ พ, ธ ร, พ ร, ะวระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยตัวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือคำสอนนี่เองพระพุทธเจ้าก็สอนธรมธรมะธรรมะคำสอนก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ท่านก็สอนธรรมะสอนให้เราเชื่อในกฎแห่งกรรมสอนให้เรามาพัฒนาจิตใจ ไม่ได้มาสอนให้เรามาพัฒนาทางลาบยศสละเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันชาวต่างประเทศจึงเข้าถึงการปฏิบัติเขาจะรู้คำว่าทานศีลภาวนาว่าเป็นอย่างไรแล้วเขาก็ปฏิบัติกันทำทานรักษาศีลห้ารักษาศีลแปด ฝึกนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาที่จะได้เอามาใช้ในการาพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปตามลำดับจากชั้นมนุษย์ไปสู่ชั้นเทพจากชั้นเทพไปสู่ชั้นพรหมจากชั้นพรหมไปสู่ชั้นพระอริยเจ้าไปถึงขั้นพระนิพพานนี่แหละคือ ทางเดินของจิตใจการพัฒนาของจิตใจพัฒนาด้วยการปฏิบัติทานสิงหภาวนาเพราะว่าแต่ละขั้นของการพัฒนานี้จะเพิ่มความสุขมากขึ้นความทุกข์จะน้อยลงเช่นความสุขของเทพนี้ชั้นเทพนี้จะมากกว่าความสุขของมนุษย์ะเทพนี้ก็มีความสุขมากกว่ามนุษย์เพราะมีความทุกข์น้อยกว่ามนุษย์ ผมก็มีความสุขมากกว่าเทพเพราะมีความสุขที่ละเอียดกว่าที่ลึกกว่าที่นานกว่าส่วนความสุขของพระอริยเจ้านี่นอกจากลึกและนานแล้วยังถาวรไม่เสื่อมไปถึงขั้นสูงสุดคือพระนิพพานส่วนขั้นของเทพของพรหมนี่ยังเสื่อมได้อยู่ทำบุญทาทานรักษาศีลได้ตายไปก็ไปเป็นเทพ แต่พอบุญที่ส่งไปให้เป็นเทพหมดกำลังลงก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าขึ้นไปสูงกว่าชั้นเทพคือนอกจากทาบุญทำทานรักษาศีลแล้วยังนั่งสมาธิได้นั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบเป็นรูปประชานเป็นารูปประชานได้ก็ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรมระดับรูปปพรมกับอารูปปมัมรมก็มีความสุขที่ละเอียด ลึกซึ่งกว่าความสุขของเทพนะแต่ก็เสื่อมได้เพราะกำลังของสมาธินี้หมดได้สมาธิที่ส่งจิตให้ไปเป็นเทพเป็นพรหมนี้เมื่อมันหมดกำลังมันก็ทำให้เลื่อนลงมาสู่ชั้นเทพเพอจากชั้นเทพเดี๋ยวก็เลื่อนลงมาสู่ชั้นมนุษย์ใหม่พอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ มาทำบุญรักษาศีลใหม่มานั่งสมาธิใหม่ก็จะกลับไปถึงชั้นพรหมได้นี่คือความการพัฒนาในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาจะพัฒนาได้แค่ระดับพรห ม, มโลกแล้วก็ต้องเสื่อมกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่คือยังติดอยู่ในวัฏจักรของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพียงแต่ว่าเป็นวัฏจักรที่ เป็นฝ่ายดีเป็นฝ่ายพัฒนาส่วนพวกที่ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องทำความดีเรื่องรักษาศีลทำอะไรตามความอยากนึกอยากจะทำอะไรก็ทำจะทำบาปก็ทำพวกนี้ก็จะไปเวียนไหวในวัฏจักรของส่วนที่เป็นทุกข์เพราะว่าพวกที่ทำบาปนี้จะ จะตกต่ำกว่าระดับมนุษย์นจะจิตจัดเลื่อนลงไปสู่ระดับเดรัจฉานเลื่อนลงไปสู่เปรตสู่วสุลกายสู่นรกนด้วยการทําบาปต่างๆเวลาตายไปก็ไปตามสามการกระทําถ้าทําบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่ามีกฎแห่งกรรมไม่รู้ว่าทําบาปแล้ว มีผลตามมาทำไปเพราะคิดว่าเพื่อการอยู่รอดพวกนี้ก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานพูกเดรัจฉานนี้เขาต้องอยู่รอดด้วยการทาบาปเขาต้องกินกันกัดกันกินกันสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยมนุษย์ถ้ามาทำแบบสัตว์เดรัจฉานมาฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยฆ่าเป็ดฆ่าไก่เป็นอาชีพอย่างนี้ก็ เ, เหมือนกับสัตว์เดรัจฉาน พอตายไปจิตก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภคืออยากได้มากๆอยากรวยมากๆอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็เลยทำบาปเพราะถ้าไม่ทำบาปมันมันไปช้าหรือไปได้ได้น้อยหรือไปไม่หรือไม่ได้ก็เลยต้องทำบาปกันพอทำบาปด้วยความโลภจิตก็จะไปเป็นเปรต ถ้าทำบาปด้วยความกลัวคอยป้องกันตัวเองด้วยการทำร้ายผู้อื่นกลัวเขาจะมาทำร้ายเราอันนี้ก็จะไปเป็นอสุลกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเกลียดชังใครทำอะไรเราเกลียดเขาเกลียดเขาก็เลยต้องทำร้ายเขาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอันนี้ก็จะไปนรก นี่คือดวงวิญญาณคือดวงจิตใจในขณะที่อยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจพอไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณตัวเดียวกันต่างต่างกันตรงที่สถานภาพตอนที่มีร่างกายก็เหมือนเหมือนกับเหมือนกับแต่งงานกันผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชายเวลาไม่ได้แต่งก็เรียกว่านางสาว เวลาต่างก็เรียกว่านางเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองจิตก็เหมือนกันเวลาอยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจพอเวลาร่างกายตายไปเหมือนหยากันเหมือนเป็นโสดก็เปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนสถานภาพใหม่จากจิตใจเป็นดวงวิญญาณเท่านั้นเองแต่ตัวเดิมจิตใจที่มีบุญก็ยังเป็นจิตใจที่มีบุญอยู่จิตใจที่มีบาปก็ยังเป็นจิตใจที่มีบาปอยู่ ตัวบุญตัวบาปนี่แหละที่ทำให้จิตใจไปเป็นเทพหรือไปเป็นเปรตไปเป็นเดลาฉานอยู่ที่ตัวบุญตัวบาปที่มีอยู่ในใจที่ได้สะสมทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ในขณะที่เป็นมนุษย์เนี่ยตอนนี้เราเป็นมนุษย์เนี่ยวันวันนย่งงนี้เราทำสามอย่างด้วยกันบุญบ้างบาปบ้างไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปบ้างแล้วแต่โอกาสแล้วแต่ ความเหตุการณ์หรือแล้วแต่ความอยากของเรามันจะทำให้เราเนี่ยทำทาบุญทำบาปหรือไม่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปส่วนใหญ่จะทำไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปกันอะไรคือการกระทำที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปคือการกระทำที่เป็นบุญก่อนการกระทำที่เป็นบุญก็คือการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นเขา ได้รับความได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากการกระทาของเราเช่นใส่บาทเนี่พระได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากการใส่บาทของเราเพราะจะได้ไปกำจัดความทุกข์ความหิวโหยของร่างกายการนี้เรียกว่าทำบุญคือทำความให้ให้ความสุขให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นนี่เรียกว่าเป็นการทำบุญ ส่วนการทำบาปก็คือให้โทษหรือให้ความทุกข์แก่ผู้อืน่นเช่นไปทำร้ายผู้อืน่นไปขโมยทรัพย์ของผู้อืน่นก็จะทำให้ผู้อื่นเขาเสียใจทุกข์เดือดร้อนขึ้นมานี่เรียกว่าทำบาปการกระทำโทษให้แก่ผู้อืน่นก็เป็นเรียกว่าทำบาปทำคุณให้กับผู้อืน่นก็เรียกว่าทำบุญส่วนการกระทำที่ไม่ได้เกิดคุณเกิดโทษแก่ผู้อืน่นก็เรียกว่าไม่เป็นบุญไม่เป็นบาป ส่วนใหญ่เราจะทําแบบนี้กันก็คือการเลี้ยงดูชีวิตเหล่านี้ที่เราทํากันทุกวนันอาบน้ําอาบท่ า, าน้ําอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารแต่งเนื้อแต่งตัวไปทํางานอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นแบบไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปตอนนี้ไม่มีส่งผลต่อจิตใจไม่ได้ทําให้จิตใจสูงขึ้นหรือต่ําลง ตัวที่จะทําทให้จิตใจเราสูงขึ้นหรือต่ําลงก็คือบุญหรือบาปที่เราทําบุญนี้ก็อาจจะเกิดจากมีเวาะโอกาสเช่นวันนี้วันเกิด อ, อยากจะทําบุญขึ้นมา อ, อันนี้ก็ได้ทําบุญะส่วนทําบาปก็คือบางทีเงินไม่พอใช้อะเดี๋ยวขโมยเงินคนนั้นมาใช้ก่อนอย่างนี้ก็เรียกว่าทําบาปแต่บุญกับบาปนี้เราสามารถควบคุมได้ ห้ามห้ามจิตใจได้หรือส่งเสริมได้ถ้าเรารู้ประโยชน์หรือโทษที่จะตามมาจากการทำบุญทำบาปถ้าไม่ได้ศึกษากฎแห่งกรรมจากพระพุทธศาสนาก็จะไม่รู้ว่าบุญกับบาปนี้มีผลกระทบต่อชีวิตจิตใจของตนเองพวกที่ไม่รู้ก็เลยไม่กลัวบาปกัน เพราะว่าไม่รู้ว่าใครไปเป็นผู้รับผลบาปเพราะผู้รับผลบุญหรือผลบาปนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายแล้วก็พอร่างกายตายไปเขาก็คิดว่าจบทำบาปมามากน้อยเพียงไรก็ถือว่าจบทำบุญมากน้อยเพียงไรก็จบเหมือนกันที่เรียกว่าตายแล้วศูนยตายแล้วไม่มีผลตามมาจากการกระทาต่างๆของเรา เพราะเขามองไม่เห็นจิตใจนั่นเองเขามองเห็นเพียงแต่ร่างกายความจริงชีวิตเรานี้มีส่วนประกอบอยู่สองส่วนส่วนที่เราเห็นคือร่างกายและส่วนที่เราไม่เห็นคือจิตใจเราปฏิเสธจิตใจไม่ได้เรามีจิตใจเพราะจิตใจก็คือผู้รู้ผู้คิดนี่เองผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี่แหละคือจิตใจ เพียงแต่ว่านักวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่ศึกษาเรื่องของชีวิตก็ไปเหมารวมกันว่าเป็นอยู่ในตัวเดียวกันเหมารวมว่าผู้คิดผู้รู้ผู้สั่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเช่นบอกว่ามาจากสมองแต่ผู้ที่ได้ศึกษาอย่างแท้จริงด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาเนี่ย ถ, ถึงจะเข้าถึงตัวจิตได้ถึงจะรู้ว่าตัวจิตกับตัวร่างกายนี้เป็นคนละตัวกันเพราะเวลาเขานั่งสมาธิทำจิตให้สงบนี้จิตจะถอนออกจากร่างกายเชั่อเขา้าจะไม่รับรู้เรื่องร่างกายน่ร่างกายนี้จะหายไปรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพะที่เข้ามานี้จะถูกตัดไปเหลือแต่ตัวจิตผู้รู้อยู่ตามลาพัง เขารู้ว่าตัวนี้กับตัวร่างกายนี้เป็นคนละตัวกันเขารู้ว่าตัวจิตนี่แหละเป็นผู้ที่สั่งให้ทำบุญหรือสั่งให้ทำบาปแล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องรับผลบุญหรือผลบาปที่เกิดจากการกระทาซึ่งถ้าเราสังเกตดูเราก็จะเห็นได้เวลาเราทำบุญนี่ใจเราจะรู้สึกอย่างไรจะรู้สึกว่ามีความสุขนะเวลาเราทำบาปนี่เราจะรู้สึกว่าไม่สบายใจ อันนี้แหละคือผู้ที่ผู้ที่ทำและผู้ผู้ที่รับผลบาปผลบุญอันนี้คือจิตแล้วผลบุญผลบาปที่เราทำในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้มันไม่หมดจากเพียงพอเรารู้สึกสุขแล้ว เ, เดี๋ยวแป๊บเดียวมันหายไปนี้แต่บุญที่เราทำไว้นี้มันยังอยู่มันยังฝังอยู่ในใจเพียงแต่ว่ามันมีโอกาสแสดงผลแค่เดี๋ยว เพราะเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นมันก็มีผลอย่างอื่นมากรบเป็นไว้เดี๋ยวเราทำบุญในใจเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทำบาปมันก็มากบเอาไว้หรือเราไปทำอะไรอย่างอื่นมันก็มากบบุญที่เราทำไว้เช่นเดียวกับบาปบาปที่เราทำไว้พอเราทำไม่สบายใจเดี๋ยวพอเราไปทาอย่างอื่นเราก็ลืมพอลืมมันก็เหมือนกับว่ามันหายไปแต่มันไม่หายมันฝังอยู่ในใจมันจะเป็นบัญชีขึ้นมา เป็นบัญชีบุญ บ, บัญชีบาปขึ้นมาเงินเอาเงินไปฝากธนาคารหรือเราไปกู้เงินจากธนาคารมันจะมีบัญชีเงินกู้กับบัญชีเงินฝากนับทุกครั้งที่เราเอาเงินไปฝากมันก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อยๆยอดก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆในใจเรายังมีสองบัญชีด้วยกันบัญชีบุญกับบัญชีบา แล้วเวลาที่เราตายไปนี่ก็เหมือนกับเวลาที่เราปิดบริษัทปิดกิจการเราก็ต้องมาทำบัญชีใช่ไหมดูว่าบริษัทเราอ่ากำไรหรือขาดทุนเนี่ยบัญชีถ้าบัญชีเงินฝากมากกว่าบัญชีเงินกู้ก็ถือว่ากำไรก็มีเงินมาแบ่งกับพวกที่เป็นผู้ร่วมหุ้นกันถ้าบัญชีเงินกู้มากกว่าเงินฝากก็ต้องเอาเงินมาจ่าย จ่ายหนี้กันอันนี้ก็เหมือนกันเวลาที่ร่างกายตายไปก็เหมือนกับการปิดบริษัทร่างกายนี้เป็นบริษัทอันหนึง่งพอร่างกายตายไปบริษัทนี้ปิดกิจการก็ต้องมาทำบัญชีส่งให้กับเพื่อจ่ายภาษีหรืออะไรไปตามกฎหมายอันนี้ก็ต้งทำ ท, ำทำบัญชีตามกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมเขาก็จะมาตรวจบัญชีเรา ที่จิตใจของเราว่ามีบุญกับบาปอันไหนมากกว่ากันถ้าบุญมากกว่าบาปบุญมันก็จะเป็นผู้ที่เป็นตัวดึงจิตให้ไปสู่เทพสู่พรหมสู่พระอริยบุคคลแล้วแต่ว่าเราทำบุญได้ระดับไหนชนิดใดเราก็จะได้ผลชนิดนั้นระดับนั้นส่วนถ้าบาปมันมีผลมากกว่าบุญบาปมันก็จะเป็นตัวที่ดึงใจให้เราไป ไปเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานไปเป็นอสุรกายหรือไปอนรกขก้นอยู่กับบัญชีบาปมีสี่บัญชีเราแยกบั ญ, ญชีบาปไว้นสบัญชีทำบาปด้วยความไม่รู้นี่ก็เป็นเดรัจฉานทำบาปด้วยความโลภก็เป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็เป็นอสุรกายทำบาปด้วยความมาฆาาพยาบาทก็ไปเป็นนรกเนี่ย แล้วสาภาพเวลาที่จิตใจเราไปรับผลบุญผลบาปเป็นอย่างไรมันก็เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับนั่นแหละตอนที่เรานอนหลับนี้ก็เหมือนกับเราตายชั่วคราวใช่ไมเพราะตอนนั้นร่างกายไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้ใช้ร่างกายทำอะไรจิตไม่ได้ใช้ร่างกายทำอะไรจิตได้ก็เลยใช้บุญกับบาปเป็นตัวผลิตเหตุการณ์ต่างๆให้ให้ได้เสพให้ได้สัมผัสนะเราก็จะฝันกัน เวลาที่ไม่มีร่างกายแต่ใจเรายังอยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสอยู่แล้วก็เลยสายบุญกับบาปที่เราทํานี้มาเป็นตัวผลิตรูปเสียงกลิ่นรสให้เราได้สัมผัสกันเราเรียกว่าเป็นรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพเนี่ความฝันนี่คือรูปทิพเสียงทิพแต่มันเหมือนความจริงเหมือนตอนเหมือนตอนที่เราตื่นเลใช่ไหมเวลาที่เราฝันนี่เรารู้หรือเปล่าว่าเราฝันเราไม่รู้ใช่ไหม เราคิดว่าเราอยู่ในเหตุการณ์จริงๆเลยนั่นแหละถ้าเป็นบุญบุญก็จะทำผลิตความฝันดีให้กับเราถ้าบาปมันก็จะผลิตฝันร้ายให้กับเรานี่คือสภาพของจิตใจเวลาที่ไม่มีร่างกายเวลาที่นอนหลับก็ดีหรือเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วก็ดีช่วงนั้นจิตใจจะอยู่ในโลกของความฝัน ถ้าบาปมีกําลังมากกว่าก็จะฝันแต่เรื่องไม่ดีถ้าบุญมีกําลังมากกว่าก็จะฝันแต่เรื่องดีหรือว่าไม่ฝันเลยถ้าเป็นบุญในระดับของสมาธิมันก็จะนิ่งสงบเป็นฌานไปนี่คือเรื่องของจิตใจเวลาที่ไม่มีร่างกายแล้วจิตใจก็จะอยู่ในโลกของความฝันนี่แล้วก็ ถ้ายังมีกิเลสตันหาอยู่ก็จะเป็นตัวที่จะดึงใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่เวลาทีอา่อำนาจของบุญหรือบาปหมดกำลังลงเวลาบุญกับบาปนี้มีมีระดับเท่ากันเช่นตอนที่เราตายไปนี้มีบุญมากกว่าบาปยี่สิบเปอร์เซนเราก็ไปรับผลบุญยี่สิบเปอร์เซ พอบุญที่บ้ากับบาป 20% เปอร์ซน์มันหมดลองมันบุญกับบาปมันเท่ากันบุญก็ดึงไปสวรรค์ไม่ได้บาปก็ดึงไปอบายไม่ได้ก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่ไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วเราก็กลับมาสร้างบุญสร้างบาปกันใหม่แล้วก็มาคิดบัญชีกันตอนตายใหม่ตอนที่มาเกิดเราก็เริ่มทำบัญชีเล่มใหม่ พอมาเกิดเป็นเด็กออกมาจากท้องแม่ก็ตอนต้นก็บัญชีอย่างเท่ากันอยู่บุญกับบาปบุญเก่ากับบาปเก่ามันมีกำลังเท่ากันอยู่แต่พอเรามาเริ่มโตขึ้นโตขึ้ น, นกิเลสตัณหามาเริ่มสแสดงนวดลายขึ้นอยากได้นู่นอยากมีนี่ขึ้นมาบางคนก็หาโดยวิธีทำบาปบางคนก็ไม่ทำบาปแล้วแต่โอกาส คนที่โชคดีเกิดมากับครอบครัวที่มีเงินทองก็ไม่ต้องทำบาปอยากจะได้อะก็ขอเงินทองจากพ่อแม่ได้หรือว่าถ้าพ่อแม่มีมีเงินทองก็ส่งให้ไปเรียนหนังสือเพื่อที่ต่อไปจะได้มีความรู้จะได้หาเงินทองโดยที่ไม่ต้องทำบาปได้แต่คนที่เกิดมายากจนที่ไม่มีพ่อแม่นี่ที่ร่ำรวยที่จะต้อง ดินนอนหาเองอยากจะได้อะไรก็ต้องไปหาเองบางทีก็ต้องไปรักไปขโมยเพราะอยากได้ก็จะเริ่มสร้างบัญชีบาปขึ้นมาเนี่ยก็คือชีวิตของพวกเราจะเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้ไปพอมาเกิดปั๊บช่วงที่มาเกิดใหม่ๆนี้บัญชีบุญกับบาปนี้เท่ากันเหมือนเปิดบริษัทไป นี่เก่ากับ เ, เงินฝากบัญชีนี่ <THE> นกับบัญชีเงินฝากมีอยู่เท่ากันแล้วก็มาเริ่มทำทำกิจกรรมกิจการแล้วก็มีการกำไรมีมีมีนี่มีสินมีรายได้ก็เป็นการสะสมบัญชีบุญ บ, บัญชีบาปไปจนถึงเวลาตายก็มาปิดบัญชีถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนวัฏจักรของการเวียนว่ายตายเกิด เราก็ต้องรอจังหวะที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านเพราะไม่มีใครในโลกนี้จะรู้วิธีปิดบัญชีวิธีที่จะยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆการต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นตัวจะเป็นผู้มาบอกวิธีให้เราหยุดการกลับมาเกิดใหม่เพราะท่านเป็นผู้ค้นครับคน้นค้นพบสาเหตุที่พาให้เรามาเกิดใหม่ เหมือนความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยความรู้ต่างๆที่เราได้ในยุคปัจจุบนันนี้อาศัยจากคนฉลาดคนแรกใช่ไหมถ้าเราพูดถึงเรื่องของจรวดก็ดีเรื่องของเครื่องบินก็ดีนี่เหล่านี้ต้องเป็นหนี้ของคุณนิวตันใช่ไหมคุณนิวตันนี่เขาเป็นผู้ค้นพบว่าโลกนี้มีแรงดึงดูดเพราะเขานั่งดูผลไม้แปเป้เวลามันดูดจาก ต้นมันทําไมมันไม่ลอยขึ้นไปบนฟ้ามันทําไมถึงตกลงมาบนเด็ดทุกครั้งทุกลูกก็เลยคิดไปคิดมาก็เลยบอกมันต้องมีแรงดึงมันลงมาไม่มีแรงดันมันขึ้นไปมันเลยไม่ขึ้นมันไม่ลอยขึ้นมันตกลงก็เลยพิสูจน์ว่าโลกนี้มีแรงดึงดูดพอรู้ว่ามีแรงดึงดูดแล้วถ้าอยากจะให้มันให้สิ่งต่างๆลอยขึ้นก็ต้องหาวิธี แรงดึงดูดที่จะดึงให้สิ่งนั้นมันมีแรงมากกว่าแรงดึงดูดของโลกมันก็ลอยขึ้นไปได้เขาก็เลยสร้างจลวดกันขึ้นมาใช่ไหมจรวดมันก็มีแรงผลักดันที่จะผลักให้ของที่มันถูกแรงของโลกนี้ดึงไว้ให้ดันขึ้นเหนือขึ้นไปท้องฟ้าได้เพราะมีแรงส่งที่แรงกว่าแรงดึงดูดของโลกเนี่ยสิ่งต่างๆที่เรา มีใช้กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากความรู้คนเดียวนี่แหละความรู้ที่ไปถามตัวเองว่าทำไมถึงผลไม้ต่างๆมันจึงตกลงมาจากต้นมันทำไมมันไม่ลอยขึ้นไปบนฟ้าก็เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าของเรานี่พระพุทธเจ้าก็ถามว่าทำไมต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยอทำไมไม่หยุดเกิดแก่เจ็บตายสักทีเพราะเพราะการเกิดแก่เจ็บตายมันดีที่ไหน ไม่มีใครอยากไม่ย ม, มีใครอยากจะแก่อยากจะเจ็บอยากจะตายกันแต่ทำไมมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆทำไมไม่หยุดกันก็เพราะไม่มีใครรู้วิธีหยุดหยุดยังไงในที่สุดพระองค์ก็เลยไปบวชแล้วก็ไปศึกษาก็ค้นพบวิธีว่าคนค้นพบเหตุที่ทำให้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี่เอง อยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมก็ต้องมีร่างกายจะเป็นร่างกายของมนุษย์ก็ได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก็ได้มีเหมือนกันมีตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันถ้าทําบาปก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้าพ้นบาปก็จะได้ก็จะได้ร่างกายของมนุษย์นี่เกิ การค้นพบของพระพุทธเจ้าว่าความอยากสามประการความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นเช่นคนที่กําลังอยากกันขณะนี้อยากเป็นสสอยากเป็นสวอยากเป็นรสทมนตรีทําไมต้องอยากกัน่เพราะความหลงคิดว่ามันเป็นสุขใช่ไหมมีอํานาจก็เลยอยากเป็นกัน ดับความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเพราะรู้ว่าสิ่งที่ไม่เป็นนี่มันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากเป็นมันเป็นทุกข์เไม่อยากยากจนไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายกันไอ้ตัวสามตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้จิตต้องดิ้นรนอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องดิ้นไปหาสิ่งที่มันต้องการ ต้องการรูปเสียงกลิ่นรสต้องการลาบยศสรรเสริญก็ต้องไปหาร่างกายกันพอใช้บุญใช้บาปหมดก็มารอรับร่างกายดูว่าใครกำลังแต่งงานกันใครกำลังฉะร้องอน้ำพึ่งกันน้ำพึ่งพระจัน์กันอพอเขาเริ่มสร้างร่างกายขึ้นม า, าใจนี้ก็ไปเกาะทันทีไปจับจองทันทีเลยเถึงเกิดการปฏิสนธิขึ้นมา เกิดการเจริญเติบโตของธาตุขึ้นมาในขันได้ต้องมีส่วนสามส่วนมารวมกันส่วนส่วนหนึ่งของพ่อส่วนหนึ่งของแม่เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วส่วนที่ดวงจิตคือธาตรู้มารวมกันถึงจะปรากฏเป็นชีวิตขึ้นมาได้ชีวิตของมนุษย์ขึ้นมาได้ชีวิตของมนุษย์ก็เป็นการรวมตัวของธาตุห้านี้ ธาตุสี่ดินน้ำนมไฟของสองฝ่ายของพ่อของแม่แล้วก็คือธาตุรู้ธาตุรู้นี่ก็คือดวงวิญญาณนียจิตใจมีมีอีกชื่อหนึ่งชื่อชื่อทั่วไปเราเรียกว่าธาตุรู้ธาตุรู้นี่แหละเป็นตัวที่มารวมกับธาตุสี่กอดินน้ำนมไฟพอมารวมกันปับ๊บก็จะทำให้ร่างกายเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมา ตามลําดับเพราะมีการส่งธาตุสี่เข้าไปเสริมอยู่ตลอดเวลาในคันของแม่เนี่ยอาศัยอาหารก็คือธาตุสี่ดินน้ํำลมไฟที่มีอยู่ในร่างกายของแม่นี้มาสร้างร่างกายของทารกแล้วพ อ, อ, อจากร่างกายออกจากท้องแม่มาก็มาเติมธาตุสี่ข้างนอกต่อ เริ่มหายใจเขาเริ่มเอาธาตุดมเขาเริ่มดื่มน้ำเริ่มนับประทานอาหารก็เอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุดมแล้วก็มีอากาศที่อบอุ่นความร้อนเข้ามาหล่อเลี้ยงร่างกายความร้อนก็ได้จากแสงอาทิตย์แล้วก็ได้จากการการผสมของธาตุทั้งสามคือดินน้ำลมนี่ เวลามันะสมกันมันก็จะทําให้เกิดความร้อนได้ทําให้ร่างกายนี้มีอุณหภูมิอยู่เสมอมีความร้อนอยู่เสมอนี่แหละคือถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องมาหยุดตัวอยากสามตัวนี้คือกามาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็หยุดมันเสียเวลาอยากดูหนังก็อย่าไปดูมัน เวลาอยากจะเป็นสอสอก็อย่าไปเป็นเหมือนอยากจะเป็นศาสดาจารย์ก็อย่าไปเป็นเหมืนที่มันไม่มีกําลังสู้ความอยากเพราะเวลาเกิดมันมีความอยากนี้มันเหมือนขดติดยาเสพติดนะก่อนเวลาติดยาเวลาอยากยาเสพติดขึ้นมานนี้มือไม้มันสั่นหมดมันไม่สบายใจมือไม้สั่นใจสั่น เท่าจะให้มันหายสัน่นมันต้องได้ยาเสพติดมาเสพฉันั้คนที่อยากได้อะไรนี้ก็เหมือนกันจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยก็เลยอาศัยวิธีที่เขาเชื่อกันก็คือไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมื่อไม่สามารถหามาได้ด้วยตัวเองก็อาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเสียงเงินไม่กี่ตังค์ทูบเทียนสามดอกเอาเงินใส่ตู้บริจาคนิดหน่อยก็ขอละ อยากจะได้อะไรก็ขอไปแล้วเผื่อจะได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะมันลงทุนน้อยแต่เห็นเขาบอกว่าบางคนได้มันก็เลยทำให้ต้องอย่างน้อยก็ต้องลองดูแ่ะเผื่อเราโชคดีเผื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาอาจจะให้เราก็ได้อันี้มันเลยทำให้สบายใจนอนตาหลับหน่อยได้ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วทีนี้ก็สบายใจนะทีนี้ก็รอรอให้ผลเกิดขึ้น ถ้าไม่เกิดขึ้นก็แล้วไปเดี๋ยวอาจจะมีคนใหม่แนะนาวิธีใหม่ให้ไปหาหมอดูคนนั้นคนนี้หมอดีคนนี้เก่งเดี๋ยวจะบอกให้ทํานูน่นทํานี่อ่ะไป เ, ะเดี๋ยวพอไปหาหมอดูหมอบอกให้เอไปบูชาลาหุนด้วยของแปดของดำแปดชนิดอ่ะก็ะลองทำดู <laughs> แล้วพอเสร็จแล้วก็ไปรอดูใหม่ถ้ายังไม่ได้เดี๋ยวก็ลองไปเปลี่ยนอาจารย์ใหม่ หมอดูคนใหม่าไปดูพวกฟงจุ้ยเลยอมันมีวิธีก้าความวุ่นกวนกวายกระสับกระสายเวลาเกิดความอยากขึ้นมาถ้ามันไม่ทำแล้วมันกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยเพราะมันยังไม่ได้มันก็จะทำอย่างนี้ไปจนกว่ามันรู้สึกว่ามันท้อแล้วมันยอมแพ้มันก็จะยกเลิกความอยากไปมันก็เลยก็จะได้นอนตาหลับสัทีกูไม่ได้แน่ๆรสชาติในศาสดาจาน ถ้าคิดอย่างนี้ก็ยกเปลี่ยนใจว่าไม่เอาก็ได้วะพอตัดความอยากได้ความทุกข์ความกังกวลก็จะหายไปก็ไม่ต้องไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่เดี๋ยวเกิดมีความอยากใหม่ขึ้นมาอีกก็ต้องไปถ้าหาเองไม่ได้ก็ต้องไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกเนี่ยนี่คือเรื่องของความอยากที่เวลามันเกิดขึ้นในใจแล้วฝืนมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้ นอกจากว่ามันสุดวิสัยมันมันมุดแปดด้านมันไปใบด้านไหนก็ไม่ได้มันถึงจะยอมแต่ถ้ามันคิดว่ายังมีช่องทางที่จะได้อยู่นี้มันจะต้องดิ้นทาตามความอยากให้ได้ไอตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่ให้ดึงจิตใจเรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นแล้วพระพรุทธเจ้าก็ฉลาเด็กว่าวิธีที่จะหยุดความอยากนี้ แบบไม่กังวนกังวายแบบไม่กระสับกระสายนี่มีก็ต้องวิธีภาวนาสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาถ้าใครปฏิบัติภาวนาสองหลักสองระดับนี้ได้จะสามารถสู้ความอยากได้หยุดความอยากได้โดยไม่รู้สึกวุ่นวายใจไม่รู้สึกกระสับกระสายกระวนกังวายกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่จะไม่มี พราอเราสามารถหยุดความกระวนกวายต่างๆในใจได้ด้วยสมถะภาวนาด้วยวิปัสนาภาวนาและการจะปฏิบัติสมถะภาวนาวิปัสนาได้ก็ต้องมีศีลต้องมีศีลแปดคือต้องมีเวลานั่นเองต้องห้ามกิจกรรมอย่างอื่นทั้งหมดห้ามไปเที่ยวห้ามไปดูหนังฟังเพลงห้ามไปหาความสุขจากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะถ้าไปมันจะไม่มีเวลา ที่จะมาจะเจริญวิปัสสนาเจริญสมถะภาวนานี่ก็เลยต้องมีศีลก่อนถ้าไม่รักษาศีลถือศีลแปดไม่ได้มันก็ห้ามตัวห้ามห้ามตัวเองไปไม่ให้ไปทกากิจกรรมต่างๆไม่ได้ห้ามความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้ตอนต้น ต, ต, ต้องห้ามความอยากกันด้วยการใช้ศีลเป็ น, นปตัวห้าม แต่ศีไม่สามารถทำลายมันได้ถือศีลแล้วเวลามันอยากมันก็กระวนกระวายถ้าอยากจะหายกระวนกระวายก็ต้องมาหัดฝึกจิตมานั่งสมาธิทำใจให้สงบเนี่ยเราจึงต้องมาหัดเจริญสติกันเพราะการเพราะการที่จะทำใจให้สงบได้นี้ต้องมีสติเป็นผู้ผู้ควบคุมใจสตินี้เป็นเบรกของใจ เหมือนกับเบรกของรถยนต์ะเวลารถยนต์วิ่งเนี่ยเช่นรถวิ่งลงเขาเนี่ยถ้าเราต้องการจะให้รถหยุดนี้ถ้าไม่มีเบรกมันไม่หยุดหรอกเราต้องเหยียบเบรกเหยียบไปเรื่อยๆ เ, เหยียบจนกว่ามันจะหยุดถึงจะปล่อยเบรกได้นถึงจะชันได้ใจของเรามันก็คิดอยู่เรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตืน่นขึ้นมานี่มันเริ่มคิดละคิดเรื่องนั่นคิดเรื่องนี้ตัวที่ผลักดันให้คิดก็คือความอยากนี่เอง อยากได้นู่นอยากได้นี่ก็ต้องคิดว่าทำอย่างไรดีถึงจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาก็ต้องคิดวางแผนคิดคิดดําเนินการอะไรต่างๆก็มีแต่ความคิดอยู่ทั้งวันพอตื่นขึ้นมาก็ถิดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเป็นตัวผลักดันไปคนที่ไม่สบายไม่อยากไม่อยากจะไม่สบายก็ต้องหาวิธีทํำยังไงจะได้ รักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่นี่ตื่นขึ้นมาก็จะคิดหาหมอหาโรงพยาบาลหายาคนที่ไม่เจ็บแต่อยากได้ตำแหน่งก็ต้องคิดแล้วว่าต้องไปวิ่งเต้นกับใครต้องไปทำอะไรอย่างไรถึงจะได้ตำแหน่งเช่นตอนนี้ช่วงนี้กำลังจะมีเลือกตั้งสสคนที่อยากจะเป็นสสก็ตื่นขึ้นมาก็ต้องคิดแล้วไปสมัครพักไหนดีเนี่ยมันก็ต้องตัวความอยากนี่มันตัวผลักดันให้คิด แต่ถ้าไม่มีความอยากตื่นขึ้นมาก็ไม่ต้องคิดใช่ไหมมันทุกคนมันมีความอยากกันนะันแะเพียงแต่ว่า ม, มันอยากไปทางไหนพวกอีกพวกก็ชอบอยากเที่ยว ต, ตื่นขึ้นมาก็ดูคงดูโปรแกรมทัวร์โปรแกรมเที่ยวกันอาทิตย์นี้เขาจะมีโปรแกรมไปเที่ยวที่ไหนกันก็คิดหนาะเรื่องตามความอยากแนทะ่นั้นจิตเลยไม่เคยสงบสักทีแล้วจะมาวุ่นวายใจก็ตอนที่ไม่ทาตามความอยากไม่ได้ พออยากจะทำแล้วไม่ได้ทำก็เสียใจวุ่นวายใจขึ้นมาถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่สามารถหยุดการทำงานของจิตหยุดความคิดได้ถ้าจิตไม่สงบจิตจะไม่มีความสุขถ้าจิตสงบแล้วจิตจะไม่หิวจะไม่อยากความอยากต่างๆจะถูกความสงบกดเอาไว้ความสงบที่ได้จากสตินี้จะกดความความอยากต่างๆไว้ชั่วคราว แต่กฎไว้ได้ไม่ตลอดเพราะกำลังไม่มีพอที่จะกดไปได้ทั้งวันทั้งคืนกดได้ช่วงเวลาที่เรามานั่งแล้วเรามากำหนดจิตเหยียบเบรกมีสติดูลมหายใจเข้าออกแล้วมีสติอยู่กับพุทโธพุทโธเพียงอย่างเดียวไม่ปล่อยให้มันไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าสติมีกำลังมากกว่าความคิดมันก็จะหยุดความคิดได้พอความคิดหยุดความสงบก็เกิดขึ้นความสุขก็เกิดขึ้น ความอิ่มความพอก็เกิดขึ้นชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมามันก็เกิดความอยากขึ้นมาอีกเกิดความคิดขึ้นมาอีกเพราะสติไม่มีกำลังพอที่จะหยุดความคิดได้เหมือนในขณะที่อยู่ในสมาธิถ้าหยุดได้มันก็ไม่ออกมาจากสมาธิที่มันออกมาจากสมาธิก็เพราะว่ากำลังของสติมันหมดมันสู้กาลังของความคิดไม่ได้มันก็เลยต้องถอนออกมาจากสมาธิ แต่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบวิธีที่จะสามารถหยุดความอยากได้ในขณะที่ออกจากสมาธิก็คือให้เรามองความจริงว่าสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยได้มาแล้วมันดีจริงหรือไม่มันให้ความสุขกับเราจริงหรือไม่หรือเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่อําพรางความทุกข์เอาไว้<ม>ถ้าเราใช้ปัญญาเราจะเห็นว่าความสุขต่างๆที่เราหาตามความอยากของเราเนี่มันเป็นความ เป็นความสุขที่อําพรางความทุกข์ไว้มันจะสุขตอนต้นเวลาแต่งงานใหม่ๆนี่เลี้ยงฉลองกันฮันนี่มูนกันพอกลับมาจากฮันนี่มูนไม่กี่วันเดี๋ยวทะเลาะ ก, กันละเดี๋ยวเกิดมีความรู้สึกไม่ตรงกันละขัดใจกันละความสุขที่ได้จากฮันนีมูนก็หายไปความทุกข์ก็โผล่ขึ้นมา อันนี้มองไม่เห็นกันคนที่แต่งงานคนที่จะแต่งงานกันคนที่มีแฟนกันก็แค่จะเห็นแต่ความสุขที่จะได้จากการที่ได้อยู่ร่วมกันแต่พอได้อยู่ร่วมกันแล้วไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, มองว่าต่อไปมันก็จะเกิดการขัดใจกันเกิดอะไรกันขึ้นมาได้แล้วเกิดการทะเลาะเบาแวงเกิดความเสียใจขึ้นมาอันนี้ไม่มีมองไม่มีใครมองเห็นกันเวลาเกิดความอยากเราจะเห็นแต่ความสุขด้านเดียว ไม่เห็นอีกด้านหนึ่งคือความทุกข์ของพวกนี้ท่านบอกเป็นเหมือนเหรียญสองด้านมันมาด้วยกันมันมีหัวมีก้อยมีสุขมีทุกข์แต่เวลาเราอยากได้นี้เราจะมองแต่ด้านสุขด้านเดียวเราจะไม่ยอมมองด้านทุกข์กันแต่พอไปเจอด้านทุกข์ก็เสียอกเสียใจแต่คนที่มีปัญญานี้ท่านสอนให้มองสองด้านทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีสองด้าน มีเจริญมีเสือ่อมมีได้มีเสียมีมามีไปมีขึ้นมีลงให้มองอย่างนี้ถ้าเราเห็นเวลาที่มันเสือ่อมเวลาที่มันไปนี่มันจะทุกข์ถ้าเราเห็นด้านนี้เราก็ไม่เอาดีกว่าตอนนี้เราไม่ทุกข์เราสบายของเราเราไปหามันทำไมเราเรามีความสุขจากสมาธิถ้าเราอยากจะได้ความสุขเรากลับเข้าไปในสมาธิใหม่ดีกว่าความสุขในสมาธิไม่มีทุกข์ตามมา อันนี้ก็เรียกว่าปัญญาคือการเห็นว่าการทำตามความอยากนี้ไม่ได้นำไปสู่ความสุขจะนำไปสู่ความทุกข์ต่อไปถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอย่าไปมีแฟนอย่าไปมีตำแหน่งอย่าไปมีอะไรเพราะเดี๋ยวมันต้องจบอ่ะเดี๋ยวต้องถูกปลดเนี่ยหรือรเสียอายุหรือถูกโยกย้ายถูกลดตำแหน่งเป็นสอ ส, อสเดี๋ยวเขาก็ายุบสภาอย่างนี้ ถ้ามองเห็นว่าเดี๋ยวก็ต้องยุบสภาเงินที่ลงทุนหาเสียงแทบเป็นแทบตายบางทียังไม่มีเวลาถอนทุนเลยถูกยุบไปซะก่อนนะขาดทุนถ้าคิดอย่างนี้ก็ไม่ไปดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าเก็บเงินไว้เงินที่จะไปลงทุนเก็บไว้ใช้ใช้ดีกว่าไม่ต้องเหน็ดไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเสี่ยงอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามีสมาธิแล้วเราจะใช้ปัญญาได้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเราไม่มีที่ไปเข้าใจไหม เวลาเกิดความอยากเราก็ต้องไปกับความอยากเท่านั้นเพราะไม่มีทางอื่นไปแต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วเรามีปัญญาปัญญาบอกว่าทางที่เราจะไปข้างหน้ามันต้องเจอความทุกข์ถ้าไม่อยากไปก็กลับมาทางนี้ดีกว่ากลับมาที่สมาธิดีกว่ากลับมาที่ความสงบดีกว่าก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้ทุกครั้งที่เกิดความอยากก็ไม่ทาตาม ความอยากได้พอความอยากไม่ได้รับการตอบสนองต lonely, ่อไปมันก็หมดกําลังไปเหมื้นคน Dai, ที่เลิกบุหรี่ได้ก็เพราะว่าทุกครั้งอยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบมันพอไม่สูบมันความอยากสูบบุหรี่มันก็จะเบาลงไปเบาลงไปเดี๋ยวในที่สุดความอยากสูบบุหรี่ก็หายไปความอยากทุกชนิดแบบเป็นแบบนี้ทั้งนั้นถ้าเราไม่ตอบสนองความต้องการของมันนะเดี๋ยวมันก็จะหมดกําลังไป แล้วมันจะไม่มารบกวนใจเราอีกต่อไปคนที่เลิกบุหรี่ได้เวลาเห็นบุหรี่จะรู้สึกเฉยๆคนที่เลิกสุราได้พอเห็นสุราก็จะเฉยๆคนที่เลิกเที่ยวได้พอเห็นโปรแกรมชวนเที่ยวที่นั่นที่นี่เห็นแล้วก็เฉยๆมือไม้ไม่สัน่นใจไม่สันเนี่แต่คนที่ยังเลิกไม่ได้นี่พอเห็นปั๊บนี่มันเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วเกิดอาการขึ้นมาในใจแล้วะนี่คือ สิ่งที่พระพุทธเจ้าสมคนพบวิธีที่จะทำให้เราอนี้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปไม่ต้องไปรับผลบุญผลบาปอีกต่อไปเพราะว่าเราไม่มาเกิดเราไม่มาทำบุญทำบาปเมื่อไม่ทำบุญทำบาปมันก็ไม่มีผลบุญผลบาปที่เราจะต้องไปรับเมื่อไม่มาเกิดเราก็จะไม่ต้องไปรับผลบุญผลบาปจากการที่มาเกิดด้วยในที่สุดเราก็ พนทุกเพราะการเกิดมันมีทุกทุกจากความแก่ความเจ็บความตายทุกจากการพัดผ้าทุกจากการผิดหวังอะไรต่างๆเหล่านี้เมื่อไม่มีการเกิดก็จะไม่มีความทุกขเหล่านี้ต่อไปนี่แหละคือพระคุณของพระพุทธทเจ้า พระธรรมคำสอนก็เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่รับการบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกหรือพระอริยสงสารก็คือผู้ที่ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระธรรมคำสอนแล้วก็ปฏิบัติตามจนมีดวงตาเห็นธรรมเห็นเหตุของทุกข์ว่าคือตันหาทั้งสามเห็นวิธีกาจัดความทุกข์ก็คือทานศีลภาวนา ท่านก็จะสอนเรื่องนี้กับผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ผู้ที่ต้องการจะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปตามลำดับก็จะได้จากการมาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละคือวิธีที่เราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งถือด้วยการศึกษาฟังคำสอนศึกษาคำสอนเชื่อฟังคำสอนปฏิบัติตามคำสอน พอเราปฏิบัติตามคําสอนแล้วเราก็จะได้รับผลประโยชน์ที่พระเจ้าต้องการให้เราได้รับก็คือให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปนี่คือพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถให้กับเราได้สิ่งต่างๆในโลกนี้าศาสนาต่างๆในโลกนี้สอนได้ก็เพียงระดับชั้นพรหม ถ้าเราศึกษาศาสาศนาอื่นดูเราก็จะเห็นว่าเขาสอนคล้ายกัน mm hmm. เขาสอนทําทานเหมือนกันสอนให้รักษาศีลเหมือนกันสอนให้ภาวนาให้ทําใจให้สงบด้วยการสวดมนต์บ้างด้วยการร้องเพลงบ้างอันนี้ก็เป็นวิธีภาวนาทําใจให้สงบแต่ไม่มีใครสอนเรื่องวิปัสสนาไม่มีาศาสนาไหนสอนเรื่องวิปัสสนา สอนเรื่องทุกขสมุทัยนิโรธมรรคคืออริยสัจสี่สอนเรื่องไตรักษอันนี้จังทุกขังอนัตตาที่จะเป็นตัวกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจได้นานๆจะมีคําสอนนี้ปรากฏขึ้นมาสักครั้งเพราะนานๆานจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏได้สักอกหนึ่งเพราะผู้ที่จะมีความสามารถที่จะเห็นอริยสัจสี่เห็นไตรักษได้นี้ก็เป็นเหมือนแบบนักวิทยาศาสตร์เนี่ย นานๆจะมีคนเดียวในท่ามกลางคนเป็นไม่รู้กี่ล้านคนที่มาเห็นว่าโลกนี้มีแรงดึงดูดซึ่งเป็นเรื่องของง่ายๆแท้ๆทแต่ไม่มีใครคิดกันคิดกันไม่เป็นไม่เคยคิดกันไม่เคยถามด้วยซ้าว่าทําไมผลไม้มันตกลงมาทำไมันไม่ลอยขึ้นไปก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าทําไมเกิดมาแล้วต้องมาแก่มาเจ็บมาตายถ้าไม่อยากจะแก่จะเจ็บจะตายต้องทํำยังไงมันก็ ง, ง่า ย, ายๆก็อย่ามาเกิดตรงนั้นเอง เแต่ไม่รู้ว่าวิธีจะไม่ให้มันมาเกิดมันทาอย่างไรเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้มาเกิดกันต้องเป็นคนคิดเป็นมอคิดเป็นแล้วก็จะสามารถหาคำตอบได้พอหาคำตอบได้ก็สามารถแก้ปัญหาได้เพราะการเกิดนี้มันเป็นโจทย์ความแก่ความเจ็บความตายนี้มันเป็นโจทย์วิธีที่จะหาคำตอบของโจทย์นี้ทาอย่างไร ถ้าไม่มีคนอย่างพระพุทธเจ้ามาหาคำตอบให้พวกเราพวกเรานี้ไม่มีวันที่จะหาคำตอบเจอถ้าถึงแม้ว่ามีคนมาบอกคำตอบแล้วเรายังทำโจทย์ไม่ได้เลยบอกให้ทำตามท่านั้นเองยังทำกันไม่ได้เพราะหนึ่งไม่มีใครส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจเรื่องราวเหล่านี้กันเพราะสนใจเรื่องลาบยศสรรเสริญเรื่องความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันพอให้ พูดถึงเรื่องทำบุญทำทานเรื่องรักษาศีลเรื่องภาวนานี้่อทำหน้าเบ๊กันเพราะไม่รู้ว่าได้อะไรจากการทำบุญไม่รู้ว่าได้อะไรจากการรักษาศีลมิแต่เสียทำบุญก็เสียเงินเสียทองเสียเวลาจะไปเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวเอาเงินไปเที่ยวมาทำบุญนี่ เขาไม่มีใครสนใจรักษาศินก็ไม่อยากจะรักษารักษามันหารักษาศินแล้วมันหาหางเงินยากพ่อค้าแม่ค้าเนี่เขามักจะมาบ่นด้วยว่าหลวงพ่อถือศินนี่มันรักษามันทํามันขายของลําบากนะถ้าไม่โกหกมันขายไม่ได้นะไม่โกงขายไม่ได้ไม่โกงตาช่างไม่โกงอะไรมันขายได้แล้วกําไรน้อยไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาว่าอย่างนั้น ดังนั้นถึงแม้จะมีคนมาสอนบอกวิธีแก้ปัญหาแล้วก็ยังไม่สนใจหรือไม่มีความสามารถที่จะเห็นปัญหาของตนได้ว่าตนนี้มีปัญหาคือความแก่ความเจ็บความตายและผู้ที่ค้นพบวิธีแก้ปัญหานี้ก็มีแล้วมีวิธีแล้วแต่กลับไม่เห็นว่าเป็นปัญหาปัญหาคือความอยากมากกว่าความอยากได้สิ่งที่อยากได้มากกว่า จึงทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการหาสิ่งต่างๆตามความอยากแทนที่จะมาแก้ปัญหาของการเกิดแก่เจ็บตายพอเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าหมายของคาดการเข้าหาจากการมาปฏิบัติมาศึกษามาเป็นการมาขอแทน เพราะคนมันมาสอนมาหลอกกันเชื่อกันแบบผิดผิดแล้วก็มาสอนกันเป็นทอดทอดอยากได้อะไรก็ไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วกันเอแล้วเดี๋ยวก็จะได้เพราะมีบางคนได้ไอะไรที่เขาได้ไม่ใช่เพราะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วมันจะได้อยู่แล้วถ้ามันถึงเวลามันจะได้จะขอไม่ขอมันก็ได้เพียงแต่ว่าพอมั น, มนใจร้อนไงยังไม่ได้สักทีก็ไปขอซะก่อนพอไปขอปั๊บก็ถึงเวลาที่จะได้พอดี ก็เลยไปว่านี่แหละไหมไปกราบพระวัด น, นี้แล้วได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาก็เลยไปร่ํารือกันใหญ่ส่วนคนที่ไม่ได้ก็ไม่ได้ไปร่ำเรื่อเพราะไม่กล้าไปพูดเดี๋ยวจะหาว่าไปด่าพระเองมันก็เลยทาให้ความหลงนี่มั น, มนฝังลึกเข้าไปเพราะมีแต่คนได้งานผลดีท่งนั้นไปกราบพระวัด น, นี้แล้วจะได้สิ่งนู้นสิ่งนี้ก็เชื่อกันให็ไหมแห่กันไปเป็นแสนเป็นล้านเ นะจ่ะต่างประเทศยังมากันเลยใช่ไหมเอระวันสี่แยกกันระวันเนี่ยมีต่างชาติมากราบพระพรมกันเพราะคิดว่ามาขออะไรจากพระพมเนาะได้กันอันนี้ก็เป็นความเชื่อคือมันก็ได้ก็มีไม่ได้ก็มีแต่มันไม่ได้จากพระพรหมหรอกมันได้เพราะว่ามันมีเหตุทําให้มันได้มันก็ได้ไอ้พวกที่ไม่ได้ก็เพราะมันเหตุที่มันจะได้มันไม่มีมันก็ไม่ได้เท่านั้นเองอันนี้ แต่ไม่ไม่มีใครคิดกันก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเป็นเรื่องลึกลับไปความจริงมันไม่ใช่เรื่องลึกลับหรอกถ้าเราศึกษาเรื่องของจิตเรื่องของอะไรต่างๆเราจะเข้าใจสิ่งต่างๆที่มนุษย์เชื่อกันแบบงมงายว่าเชื่อกันก็เพราะว่ามันมันไม่มีมันไม่มี ม, ม, มูลฐานอะไรให้เชื่อเชื่อกันแบบสมมติกันขึ้นมา ดวงเดือนดวงดาวชื่อพระจันทร์พระอาทิตย์มันก็เป็นชื่อเราไปตั้งให้มันขึ้นมาเองแล้วก็ไปว่าเวลามันเจอกันจะเกิดเหตุการณ์วิบัติบ้างเหตุการณ์เจริญบ้างขึ้นมามันก็เป็นการวาดภาพ แ, แต่งเรื่องขึ้นไปท่านเองก็เลยทําให้คนมาคิดว่าพระพุพพทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นเรื่องแต่งมนขึ้นมา สำหรับพวกที่เขาคิดบางทีก็าามาคิดว่าพระพุทธ พ, พระธรรมพระสงฆ์นี่อาจจะไม่มีจริงก็ได้เป็นเรื่องที่แต่งมาเหมือนกับเรื่องอย่างอื่นที่เขาแต่งกันขึ้นมาเขาก็เลยต้องบอกว่าถ้าอยากจะพิสูจน์ก็ไปอินเดียดูซิไปอินเดียก็จะได้เห็นหลักฐานว่าในสมัยหนึ่งมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาเกิดที่นี่สแสดงธรรมที่นี่ตัดสัลุที่นี่ตายที่นี่ก็ <aram> ق. อาจจะทําให้เชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงก็ได้ ส่วนในพวกหนึ่งก็พิสูจน์ด้วยการปฏิบัติเลยพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็ลองพิสูจน์ดูสอนให้ทําบุญก็พิสูจน์ดูทําบุญแล้วดีไม่ดีสอนให้ละา บ, บาปก็ลองทําดูแล้วดีไม่ดีพอทําแล้วก็รู้สึกว่ามันดีทําบุญมีความสบายใจทําบาปแล้วมันมีความทุกข์ใจพอไม่ทําบาปแล้วมันสบายใจพวกนี้ก็ไม่ต้องไปอินเดียก็ได้พวกนี้ก็เชื่อ ว, ว่าคําสอนนี้เป็นของจริง ก็จะมีศรัทธาที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นและวในที่สุดก็จะได้รับประโยชน์ขั้นสูงสุดได้คือหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่แหละคือการเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เคารพด้วยการศึกษาเคารพด้วยการปฏิบัติเคารพด้วยการบรรลุธรรม เมื่อบรรลุธรรมแล้วก็เขาลบด้วยการเผยแผ่ธรรมเอาธรรมมันประเสริฐนี้มาสอนให้แก่ผู้อื่นอีกทอดหนึ่งเพื่อที่จะรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ให้ทำประโยชน์ให้กับโลกต่อไปได้เป็นเวลาอันยาวนานต้องเกิดจากการมีศรัทธาที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามแล้วบรรลุผลพอบรรลุผลแล้วก็เอาความรู้ที่ได้บรรลุนี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นอี ก, อกทอดหนึ่ง แล้วผู้อื่นก็จะได้มาศึกษาปฏิบัติ บ, ตบตรรลุผลแล้วก็จะไปถ่ายทอดอีกทอดหนึ่งนีอันนี้คือการสืบทอดพระพุทธศาสนานับตั้งแต่วันแรกที่พระเจ้าทรงสแสดงธรรมมีการถ่ายทอดมาถึงปัจจุบันนี้และถ้าตราบใด ย, ยังมีการถ่ายทอดอย่างนี้อยู่ก็จะมีการมีศาสนาอยู่ไปเรื่อยๆแต่ตามคําพยากรณ์ท่านก็ทรงสแสดงว่าการถ่ายทอดนี้ก็จะหมด ลงในระยะเวลาห้าพันปีเพราะคนเริ่มจะเหินหางเหินห่างจากความรู้แท้จริงของศาสนาแล้วมีความรู้ปลอมเข้ามาเข้ามามาแทรกมามาพาให้หลงกันซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เห็นกันแล้วเห็นไห่วัดวาลามนี้เดี๋ยวนี้แทบจะไม่ได้สอนเรื่องธรรมะกันเท่าไหร่สอนแต่เรื่องนี้ให้ขอกันให้ไปกราบพระพุทธรูปกันขอจากสิ่งศักดิ์สิสทธิ์กัน อ่าเี้ยหมันมากก็ให้ทาบุญทาทานเท่านั้นเองแต่ให้มาศึกษาปฏิบัติธรรมนี้ไม่ค่อยได้มีการสอนอย่างมีบ้างแต่น้อยหวังว่าคงจะเข้าใจเรื่องการถือสาระพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าถืออย่างไรจะกราบก็ได้ไม่กราบก็ได้ถ้าเราเข้าลบจริงๆแล้วเจอพระพุทธรูปเราไม่กราบก็ได้เพียงแต่ว่ามันเป็น การอาจจะไม่สมกวรในสายตาของผู้อื่นเท่านั้นเองว่าทำไมไม่กราบพระแต่ถ้าเรากราบจริงๆเรากราบจริงๆอยู่แล้วแต่เขาไม่เห็นเรากล่าบเรากราบด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยการบรรุษ ธ, ธรรมแต่เขาไม่เห็นเขาไม่รู้วิธีกราบพระที่ถูกต้องกราบอย่างไรยังนั้นบางทีเห็นเวลาเราไปเจอพระพุทธรูปเราก็กราบกันตามสมมตินิยมตามความเข้าใจของคนทั่วไป เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาเดี๋ยวจะถูกเขาด่าเขาว่าทําไมไม่กราบพระเซตพระบางรูปนี้ท่านอาจจะไม่รอดคอปในเรื่องนี้ท่านบอกว่าพระพุทธรูปไม่ต้องมีในวัดยกออกไปให้หมดนี่ไม่ต้องกราบพระกราบด้วยการปฏิบัติแต่ชาวบ้านเขาไม่เข้าใจสิเขาจะคิดว่าพระบ้าหรือเปล่าใช่มหมยังก็ต้องรู้จักสมมุติว่าเขาเป็นอย่างไรความเชื่อของคนทั่วไปเป็นอย่างไรถ้ามันไม่เสียหายอะไรก็อย่าไปขัดดีกว่า เดี๋ยวเป็นเรื่องเอาแล้วนะก็ขออนุโมทนาให้พรยาถาวะริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุป ก, กัปติอิชิตังปติตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจะตสาเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะหราโสยธามณิโชติหระโสยธาสัพีติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีกายุโกภวะ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 วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสามร้อยสี่สิบสี่ทสองร้อยสี่สิบเอ็ดิทออนไลน์ยี่สิบหกรับฟังข้างบนนี้สามสิบเจ็ดคนรวมทั้งหมดหกร้อยสี่สิบแปดครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาใครมีปัญหามีคำถามก็เชิญถามได้ถาา อยากจะถามเองก็ขึ้นมาถามที่บนศาลานี้จะมีไมโครโฟนให้ถ้าไม่อยากจะถามเองจะเขียนใส่ข้อความเขียนใส่กระดาษเข้ามาก็ได้แล้วจะอ่านคําถามให้อาจารย์มีคําถามอะไรอีกไหมผไม่มีไม่มีแล้ว เ, เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมผมก็ยึดถือกา ป, ปฏิบัติอ่าโอเคอมันอยู่ที่การปฏิบัติเนะีเพราะถ้าเรียนเต็มที่แล้วมันก็รู้ว่าต้องทำเท่านั้นถึงจะได้ผล เพราะอ่ า, อานหนังสือมากน้อยเพียงไรฟังมากน้อยเพียงไรมันก็มีขีดจำกัดของมันมเพราะภาชนะที่เราจะผลิตธรรมะอย่างมันมันยังไม่ ม, ม, ม, มีมันยังไม่เต็มที่ต้องผลิตอตัวที่จะมาผลิตธรรมะอีกทีคือตัวภาวนาถ้ามีภาวนาแล้วทีนี้ธรรมะต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังก็จะเป็นเป็นของจริงขึ้นมาตอนนี้ยังเป็นของคนอื่นอยู่ ยังเป็นของพระพุทธเจ้าอยู่ถ้าอยากใช้เป็นของเราเราต้องผลิตเองเหมือนกับโรงงานเราไปซื้อลิขสิทธิ์จากประเทศอื่นมาแต่เราต้องมาตั้งโรงงานในประเทศเราถึงจะผลิตได้อยากจะผลิตรถเบนซ์อย่างนี้เราก็ไปซื้อลิขสิทธิ์จากประเทศเยอรมันมาพอเขาให้ลิขสิทธิ์มาแล้วแต่เราไม่ลิขสิทธิ์แต่เราไม่ผลิตเราไม่สร้างโรงงานมันก็ไม่มีรถผลิตออกมา เราต้องมาสร้างโรงงานกันเราต้องมาสร้างทำงันสร้างโรงงานที่จะผลิตธรรมก็คือการภาวนานเองเราต้องมีส ม, มถะภาวนาวิปัสนาภาวนาสนับสนุนด้วยศีลถ้าเรามีศีลมีภาวนาเดี๋ยวสินค้าที่เราต้องการจะผลิตมันก็ปรากฏขึ้นมาทางธรรมก็คือมรรคผลนิพพานมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่ง มีคำถามไหมทางทางบ้านอ๋อ oh, yes come on in น oh. นี้เป็นชาวสิงคโปร์ oh, please. Use, please please use the microphone ผลบุญผลบาปนี้มันมันมันเกิดที่ใจเราเป็นส่วนใหญ่แล้วเกิดที่การที่เรามาเกิดว่าเราจะดำเนินชีวิตของเราไปในทิศทางไหน ถ้าเราเคยทำบุญทำความดีเราก็จะดำเนินชีวิตของเราไปในทิศทางที่ดีถ้าเราเคยทำบาปเราก็จะดำเนินชีวิตเราไปในทางทางบาปเพราะมันเป็นนิสัยเหมือนคนที่ติดมือคนถนัดมือซ้ายมือขวาไม่ว่าจะมาเกิดชาติไหนถ้าถนัดมือขวามันก็จะถนัดมือขวาไปเรื่อยๆถ้าถนัดมือซ้ายมันก็จะถนัดมือซ้ายไปเรื่อยๆ ถ้าชอบอะไรมันก็จะชอบอย่างนั้นไปเรื่อยๆถ้าเกลียดอะไรมันก็จะเกลียดอย่างนั้นไปเรื่อยๆนี่คือผลของกรรมที่เราทำกันมันจะฝังไว้ในจิตใจของเราอืมอต่อไปคำถามจากทางบ้านจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามการฟังแบบมีสติจดจอ่อและมีประสิทธิภาพนั้นควรทำอย่างไร เพราะเวลาฟังเทศนั้นบ่อยครั้งจะมีความคิดแทรกเข้ามาและทำให้พลาดฟังคำสอนไปบ้างควรฝึกจิตอย่างไรครับก็ต้องมันฝึกสติให้มากขึ้นเวลาที่เราไม่ได้ฟังเทศฝึกสติทั้งวันเลยสตินี่เราสามารถฝึกได้ทั้งวันพยายามใช้อะไรบังคับใจให้หยุดคิดให้อยู่กับเหตุการณ์ที่เรากำลังทำอยู่ เช่นถ้าเรากำลังแปลงฟันล้างหน้าก็บังคับให้มันอยู่กับการแปลงฟันล้างหน้าถ้ามันจะไปคิดเราก็ลองใช้คำบริกรรมดึงกลับมาก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธไป น, นี่คือวิธีฝึกสติให้จิตตั้งอยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นไม่ให้ไปในอดีตไปอนาคตไม่ให้ไปที่อื่นให้อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เรียกว่าการฝึกจิตดึงสติ ด้วยสติดึงดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันด้วยสติถ้าจิตอยู่ในปัจจุบันเวลาทำอะไรก็จะรู้ตลอดเวลาไม่ลืมไม่ไม่ผิดพลาดถ้าไม่มีสติบางทีทำอะไรก็ผิดพลาดได้ทำแล้วบางทีก็ลืมว่าทำไปแล้วหรือยังเหมือนกับการถ้าฟังธรรมก็จะฟังได้ทุกคำเลยเพราะจิตจะไม่ไปไหนจิตจะรอฟังคำเสียงอย่างเดียวนี่แสดงว่ามีสติมาก ถ้าไม่มีสติเดี๋ยวพอฟังสองสามคำไปแล้วเลยถ้าฟังไม่รู้เรื่องยิ่งไปใหญ่เลยฟังไม่รู้เรื่องมันก็เลยไม่เกิดความสนใจขึ้นมามันก็เลยทิ้งเลยไปคิดเรื่องอื่นทันทีเพราะสติไม่มีกำลังเดินกลับมาคำถามต่อไปจากทางอินบ็อกซ์คิดถึงพ่อคนบนฟ้าครับคุณพ่อเสียชีวิตเมื่อปลายปีที่แล้วยังไม่ครบ หนึ่งร้อยวันไม่ทราบว่าดวงวิญญาณของพ่อคงยังอยู่ยังเห็นและได้ยินเสียงของลูกเมียหรือญาติพี่น้องหรือเปล่าคะหนูคิดถึงพ่อมากเลยคะ่ะก็ยากสําหรับพุทุชนอย่างพวกเราจะไปรู้ได้ว่าดวงวิญญาณเขาอยู่ที่ไหนต้องเป็นพระระดับพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือพระสาวกที่มีอภิน ญ, ญาที่สามารถ ติดตามดวงจิตของผู้อื่นได้ถึงจะรู้ว่าตอนนี้ดวงจิตของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนกันเพราะพระพุทธเจ้านี่สามารถติดตามดวงจิตของพระพุทธมารดาได้ว่าอยู่ที่ไหนและสามารถติดต่อได้สามารถแสดงทำให้กับดวงจิตของพุทธมารดาได้แต่พวกเรามันเป็นเหมือนคนตาบอดนะจะไปรู้ได้ไงเมื่ อ, นอคนที่ตาดี ถ้าอยากจะมีตาดีเราก็ต้องมาฝึกนั่งสมาธิฝึกภาวนาฝึกสติแล้วเราก็จะมีตาในขึ้นมาที่จะอาจจะเห็นได้หรืออาจจะเห็นไม่ได้ก็แล้วแต่ความสามารถในการในการในการปฏิบัติพัฒาสมาธิของเราคำถามต่อไปจากคุณพงพันธ์วิตกวิจารต่างกับความคิดอย่างไรครับคาว่านิวิตกเข้ามาเกีะจากับ เขาแปลว่าเป็นตรึกวิจารณแต่ว่าตรองตึกตรองตอนต้นเราต้องตรึกก่อนตรึกก่อนแล้วค่อยตรองคาว่าตรึกก็คือนึกถึงเรื่องไหนเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ว่าพอเราตรึกปั๊บเราก็จะตรองเรื่องนั้นเช่นเราคิดนึกถึงเรื่องเงินเราก็มาตรองดูว่าเอตอนนี้บัญชีเงินฝากกับหนี้เรานี้อันไหนมันมากกว่ากันอย่างนี้ก็เรียกว่าตรองส่วนตรึกก็คือนึกถึงเรื่องเงินเรื่องเงินของเราเรียกว่าตรึก ดังจะเรียกว่าตรึกนี่เป็นสัญญาก็ได้ความจําจําเรื่องนั้นเรื่องนี้ตรองก็เรื่องว่าสังขารความคิดปรุงแต่งเวลานั่งสมาธินี่เราต้องการจะหยุดความคิดปรุงแต่งเราก็จะอาศัยให้มันคิดปรุงแต่งในเรื่องเดียวเช่นเรื่องพุทโธเราเลิกถึงเรานึกถึงพุทโธก็เรียกว่าตรึกแล้วแล้วพอเรารู้ว่าเรากําลังพุทโธอย่างต่อเนื่องก็เรียกว่าตรอง คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามภาวนาที่เรือนปฏิบัติแล้วมีความกลัวแรกๆจิตนึกคิดภาพในอดีตหรือเรื่องราวในอดีตแล้วจะมีความกลัวปรุงแต่งไปจนกลัวมากๆจนภาวนาต่อไม่ไหว ต่อมาพอนึกคิดแล้วจับได้ทันทีก็รีบพุโทโธหรือสวดมนต์ไปไม่คิดปรุงแต่งต่อไปสังเกตได้ว่ากลัวน้อยลงขณะนั่งภาวนาอยู่ก็พิจารณาได้ว่าถ้าร่างกายยังเป็นอนัตตาแล้วเวทนาความกลัวจะเป็นเราได้อย่างไรเพราะเวทนามันติด กับร่างกายนี้พอเห็นผิวหนังบริเวณขากระตุกแรงก็ไม่ปรุงแต่งต่อพอเห็นใจเต้นแรงก็ไม่ปรุงแต่งต่อแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังมีความกลัวหลงเหลืออยู่ไม่ทราบว่ายังขาดการพิจารณาหรือต้องพิจารณาส่วนไหนเพิ่มเติมเพื่อหยุดความกลัวครับถ้าต้องการหยุดความกลัวอย่างถาวรก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เรากลัวนะี่มัน ไม่ช้าก็เลยมันก็ต้องเกิดก็คือความตายนี่เองไม่มีใครหนีความตายได้ไม่มีใครหนีความเจ็บได้ยั้นถ้าเรายอมให้มันเจ็บยอมให้มันตายเราก็จะหายกลัวถ้าเรายังไม่ยอมให้มันเจ็บยังไม่ยอมให้มันตายเราจะกลัวเวลาเราเจอมันยิ่นเราต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าร่างกายในที่สุดมันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องตายไม่มีใครห้ามมันได้นี่เรียกว่าอนัตตาห้ามมันไม่ได้แปลว่าอนัตตา มันไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของเราฉะนั้นเราก็ต้องปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายพอเรายอมเจ็บยามตายเราก็จะหายกลัวคำถามต่อไปจากคุณธรรมนูนเวลานั่งสมาธิบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆพอจิตเริ่มนิ่งสงบแล้วควรหยุดบริกรรมหรือบริกรรมต่อไปเรื่อยๆครับถ้ายัางบริกรรมได้ก็ต้องบริกรรมต่อไป ถ้ามันสงบจริงๆแล้วมันจะหยุดไปหายไป คำถามต่อไปจากคุณริกกี้ได้อ่านในประวัติหลวงปู่มั่นเรื่องพุทโธหายโดยหลวงปู่มั่นมีอุบายสอนให้ชาวเขาเหตุใดชาวเขาเขาจึงได้สมาธิอย่างรวดเร็วทั้งๆ ท, ที่พื้นฐานพวกเขาก็ไม่ได้มีเหมือนกับคนในเมืองที่คุ้นเคยกับศาสนาเพราะาพื้นฐานของคนในเมืองนี่มันเป็นอุปสรรคในการภาวนานั่นเอง เวลาภาวนาเรามักจะไปคิดถึงความรู้ต่างๆที่เราได้เรียนรู้มันก็เลยทําให้ไม่อยู่กับพุทธโธส่วนคนเช้าเขาเขาไม่มีเรื่องอะไรให้เขาไปคิดถึงพอบอกให้อยู่กับพุทธโธเขาก็อยู่กับพุทธโธอย่างเดียวมันก็เลยทําให้จิตเขาสงบได้ง่ายคนยิ่งมีความรู้มากยิ่งมีอุปสรรคมากเพราะชอบไปติดกับความรู้ชอบไปคิดกับความรู้วิพากษ์วิจารณ์ ต่างๆ น, น, นานาแทนที่จะหยุดวิพากษ์วิจารณ์ให้อยู่กับพุโทโธก็ไม่เห็นคุณค่าของการของคําบริกรรมพุโทโธคิดว่าพุโทโธไปมันจะได้อะไรสู้คิดดีกว่าคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้จะได้ความเข้าอกเข้าใจแต่เขาจะไม่ได้ความสงบะอยากจะได้ความสงบนี้ต้องคิดอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวถ้าคิดเรื่องอื่นแล้วไม่มีวันที่จะสงบได้คําถามจากคุณธรรมนูนครับ ผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นคนที่มีความตั้งใจในการทำความดีไม่ทำความชั่วแต่ไม่สนใจในพระพุทธศาสนาไม่เชื่อว่าตายแล้วจะกลับมาเกิดอีกเชื่อว่าตายแล้วสูญสลายไปทั้งกายและจิตจึงอยากให้พระอาจารย์ชี้แนะหากเรามีโอกาส แนะนำธรรมะให้เขาฟังเราควรจะแนะนําอย่างไรให้เขามีสัมมาทิฏฐิเชื่อว่าทุกคนยังต้องเวียนว่ายตายเกิดหากยังไม่หมดสิ้นกิเลสและควรสนใจในการปฏิบัติจิตภาวนาด้วยครับเ อ, อ, อย่าไปกังวลกับเรื่องของเขาเลยกังวลกับเรื่องของเราดีกว่าถ้ากเขาไม่เชื่อมันก็ลําบากอย่าไปสนใจ อย่าไปไว่น้ำถ ว, ำว่น้ำว่ายน้ำตามน้ำง่ายกว่าสอนคนที่เขาเชื่อแล้วดีกว่าสอนให้เขาปฏิบัติตามคำสอนจะดีกว่าสอนตัวเรานี่นะเมื่อเราเชื่อแล้วเรายัางปฏิบัติตามคำสอนได้หรือเปล่ามากังวลที่ตัวเราจะดีกว่าอย่าไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นเราไปมัวกังวลกับเรื่องของคนอื่นตรวตัวเราเองเราเชื่อแต่เราไม่ปฏิบัติมันก็เหมือนไม่เชื่ออยู่ดี ให้เรามาดูตัวเราดีกว่าว่าเราเชื่อแล้วเราปฏิบัติตามที่เราเชื่อได้หรือเปล่าเราปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรเพราะการปฏิบัติมันมีมากมีน้อยบางทีเราบอกว่าเราปฏิบัติแล้วเราเชื่อแล้วเราปฏิบัติตามแล้วแ ต, แต่อาจจะปฏิบัติเพียงนิดเดียวทําบุญนิดเดียวรักษาศีลนิดเดียวภาวนานิดเดียวอย่างนี้มันก็ยังไม่พอ ก็ต้องเพิ่มให้มันทำให้มากขึ้นรักษาสีให้มากขึ้นภาวนาให้มากขึ้นให้มันเกิดผลขึ้นมาผลที่เรายังไม่ได้เจอมีอยู่เยอะแยะทำไมเราไม่มาสนใจไปสนใจกับเรื่องของคนอื่นเขาทาไมทั้งๆโดยเฉพาะคนที่เขาไม่เชื่ออยู่แล้วไปเหนื่อยทำไมคำถามต่อไปจากคุณชวนสติกับจิต เป็นตัวเดียวกันไหมครับจิต ท, ที่มีสติอยู่ที่การฝึกฝนอย่างเดียวใช่ไหมครับถ้าฝึกจนได้สติแล้วและเลิกฝึกสติจะเสื่อมไหมครับสติมันมีระดับเสื่อมกับระดับไม่เสื่อมถ้าเข้าสู่ระดับปัญญาแล้วมันจะไม่ระดับภาิยะโลกุตตะละแล้วมันจะไม่เสือเส่อมแต่ในระดับสมาธินี่มันยังเสื่อมอยู่เห็นต้องฝึกไปเรื่อย คำถามหมดละหมดแล้วนะส่วนสตินี้มาอยู่ในจิตมาจากจิตเป็นส่วนประกอบของจิตเป็นอาการหนึ่งของจิตด้วยกันจิตมีหลายอาการด้วยกันอาการที่เราพูดถึงบ่อยๆก็คือนามขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่อันนี้เป็นอาการที่อยู่ในจิตเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่มีอยู่ในจิต มีที่มาสองสองที่ด้วยกันมาจากร่างกายเวลาร่างกายหิวก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเวลาร่างกายอิ่มก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาเวลาร่างกายไม่หิวไม่อิ่มก็เกิดก็เกิดเวทนากลางกลางขึ้นมาแล้วก็มีมีเวทนาทางที่มาจากทางใจอีกตัวหนึง่งทุกข์เพาเกิดจากความคิดความอยาก พออยากได้อะไรคิดแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกขึ้นมาหรือว่าถ้าเราได้สิ่งที่อยากได้ก็เกิดความสุขขึ้นมาอันนี้ก็มาจากทางใจอย่างหนึ่งก็มีนี่คืออาการที่อยู่ในใจเวทนาตัวที่สองก็คือวิญญาณทำไมเอาวิญญาณก่อน เพราะว่าวิญญาณนี้เป็นตัวที่เชื่อมต่อระหว่างจิตกับร่างกายนั่นเองจิตจะรับรู้สิ่งต่างๆในโลกนี้ได้ต้องอาศัยร่างกายเป็นผู้ไปรับรับข้อมูลต่างๆรับรูปเสียงกลิ่นรสผู้ที่จะไปรับรูปเสียงกลิ่นรสจากตาหูจมูกนิ่วกายเรียกว่าวิญญาณอันนี้อยู่ในจิตวิญญาณเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างร่างกายกับจิตใจ เชื่อมระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายกับจิตใจพอตาเห็นรูปปั๊บวิญญาณก็จะรับรูปนี้เข้ามาในใจให้ใจคือผู้รู้ได้รู้ว่าตอนนี้มีรูปปรากฏขึ้นมาที่ใจอยากจะรู้ว่ารูปนี้เป็นอะไรก็ต้องอาศัยสัญญาว่าเออเรามีข้อมูลเกี่ยวกับรูปนี้หรือเปล่าเช่นคนนี้เรา รู้จักเขาหรือเปล่าถ้าเรามีข้อมูลเราก็จะรู้ว่าอ๋อเขาชื่อในนั่นชื่อในนี่นี่เรียกว่าสัญญาเป็นผู้ที่จะค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับรูปที่เราเห็นว่าเป็นใครถ้าไม่มีข้อมูลเราก็บอกไม่รู้จักอันนี้ก็เรียกว่าสัญญาแล้วพอพอได้เห็นรูปได้รู้ว่าเป็นคนนั้นคนนี้ก็จะเกิดอารมณ์เคยความรู้สึกขึ้นมา ถ้ารู้ว่าคนนี้ดีกับเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาถ้ารู้ว่าคนนี้ร้ายกับเราก็จะเกิดความทุกขขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าเวทนาปรากฏขึ้นมาแล้วพอเกิดสุขหรือเวทนาขึ้นมาเราก็จะปรุงแต่งสังขารก็จะทํางานเราจะทํำยังไงดีกับเหตุกับคนนี้ถ้าเป็นคนที่ดีกับเราให้ความสุขกับเราเราก็จะวิ่งเข้าหาเขายินดีต้อนรับเขา ทักทายเขาชวนเขามาคุยกันเรือทาอะไรกันถ้ารู้ว่าเป็นคนไม่ดีถ้าเห็นเขามาแต่กายก็หลบดีกว่าเขามาทางนี้เราไปทางนู้นดีกว่าอนี้ก็หน้าที่ของสังขารนี่คือตัวที่ทำงานแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สาคัญก็คือสติถ้าเราไม่มีสติสังขารมันจะทำงานไปอัตโนมัติเป็นเหมือนนอออโต้ มันถูกโปรแกรมมาให้ทําอย่างไรมันก็อย่าทำอย่างนั้นโปรแกรมให้หนีมันก็จะหนีแต่ถ้ามีสติแล้วก็มีปัญญาตัวนี้มันอาจจะมาแก้ตัวออโต้ได้มันทําให้เป็น Man นวลได้คิดว่าถึงแมว้วคนนี้ไม่ดีแต่เราไม่ควรจะหลบเขาเพราะหลบแล้วเสียมารยาจะทําให้มีปัญหามากขึ้นก็ทนเจอเขาดีกว่าชนทักทายกับเขาไปดีกว่าอันนี้ก็ต้องมีสติปัญญามาควบคุมสังขารให้คิดไปผู้ที่ไม่มีสติ ปัญญาก็จะทําตามความรู้สึกนึกคิดทันทีพวกที่มีสติปัญญานี้จะไต่ตองนักคิดดูก่อนว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรอันนี้ก็คือเรื่องของสติปัญญาที่จะเข้ามาควบคุมสังขารอีกทีหนึ่งมีอีกไหมคาถามยังไม่มีน ะ, <S <S ะไม่มีก็ดีเพร่อก็เหนื่อยแล้วมีใครอยากจะถามยังไหมถ้าไม่มีก็